รเนี่ยะจังเอ อ, อที่บอกว่าทแล้วเสียของก็จะทำยังไงต่อไปแล้วนะโดยทีบอกว่ารู้ทำสมถะแล้วทาได้เสร็จนะแล้วถาะทิ้ไปเสียของอคือสมถะเนี่ยนะถ้าทำได้แล้วเนี่ยจะมีความสุขจิตจะนิ่งพอจิตจะนิ่งเนี่ยดูจิตไม่ได้ถ้าดูจิตเนี่ยนะ มันจะเห็นแต่จิตนิ่งๆิ่งและจะเข้าใจว่าจิตเที่ยงนั้นเวลาทําสมถะได้แล้วจิตมีจิตมีความนิ่งแล้วเนี่ยให้มาดูกายพระสมัยก่อนจะทําสมถะกันได้ง่ายครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้ดูพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้จิตทํางานแต่ไม่ให้ทํางานไปดูข้างนอกให้มาดูที่กายให้มาดูที่กายเพื่อจะเห็นความจริงในแง่หนึ่งเป็นแง่หนึ่งเท่านั้นเองนะแง่หนึ่งของของกายก็คือเห็นความที่มัน ไม่สะอาดเห็นผมแล้วดูพิจารณาต้องคิดด้วยตอนนั้นที่ได้สมถะแล้วเนี่ยมันติดอยู่ในความนิ่งนะติดอยู่ในความนิ่งต้องให้มันออกมาจากความนิ่งอ น, นั้นก่อนมาดูอย่างแรกคือให้มันออกมาเคลื่อนมาดูผมขนเล็บฟันหนังผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บผมขนเนี่ยดูย้อนไปย้อนมาให้มันเคลื่อนเคลื่อนแล้วเนี่ยให้ดูคนที่ดูกาย จะดูกายได้คือคนที่ทําสมถะได้ดีเนี่ยนะมาดูกายแล้วให้เห็นอสุภะขั้นแรกของการดูกายให้เห็นอสุภะเห็นอสุภะแล้วเนี่ยมาดูความไม่เที่ยงของมันดูความเป็นทุกข์ของมันบางทีจะดูความเป็นทุกข์ของมันได้ง่ายเห็นอสุภะความไม่สวยไม่งามเราจะเห็นความเป็นทุกข์ทุกทางกายเนี่ยไม่ใช่ทุกขเวทนาเป็นทุกข์ที่ความกายมันอยู่อยู่นิ่งไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ไม่ได้ จะถูกบีบขั้นให้เปลี่ยนแปลงไปที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็เปลี่ยนแปลงแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่สวยไม่งามเพราะนั้นเวลาดูกายต้องอาศัยพื้นฐานจากสมถะก่อนจึงจะเห็นได้ผลทำสมถะแล้วไม่เสียของคือมาดูกายดูต้องดูให้ให้ตรงด้วยแล้วทำสมถะก็ ถ้าให้ดีเดี๋ยวลองไปเช็คกับพี่เลี้ยงดูว่าที่ทำสมถะอยู่เนี่ยทำได้ถูกได้ตรงหรือเปล่าสมถะก็มีสองแบบที่ทำสมถะเนี่ยนะเราจะเรียกกันทั่วๆไปว่าเป็นทำสมาธิรู้จัก mm hmm. เคยได้ยินชื่อหลวงปู่เทศหมหลวงปู่เทศเนี่ยหลวงปู่เทศเนี่ยจะชำนาญการทำสมาธิมากและท่านก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยทำสมาธิผิดผิด ท่านเรียกสมาธิผิดๆว่าทำฌานทำฌานคือทำอะไรทำนิ่งๆเพ่งเอาไว้บังคับเอาไว้แต่สมาธิที่ถูกต้องที่พระรูเจ้าประสงค์จใจทำท่านยังคงใช้คำว่าสมาธิอยู่ของหลวงปู่เทศนะนั้นที่ผิดเนี่ยไปท ำ, ค, ำความเพ่งท่านใช้ศัพท์ว่าฌานก็ตรงนะฌานแปลว่าเพ่งสมาธิแปลว่าตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นนั่นว่าจิตที่มีสมาธิ หลวงพุทธจึงใช้คนที่ทําสมถะที่ผิดใช้คำว่าเขาทําฌานส่วนที่เราจะต้องทำเนี่ยคือทําสมาธิที่เราหวังจะทําสมาธิกันแล้วพลาดไปทําฌาน <c oughs> ก็เยอะและส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นท่านก็สอนว่ า, ท, าทํททาทสมาธิที่ถูกต้องทํำยังไงทําสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นหมายถึงว่าจิตไม่ไหลไปตอนทําสมาธิแบบเพ่งเนี่ย มันจะไหลไหลยังไงเพ่งลมหายใจที่ปลายจมูกก็มาเพ่งบังคับเอาไว้คนดูเล็บดูผมก็เพ่งไปจุดจุดหนึ่งอย่างเช่นถ้าให้ดูดอกบัวนะทุกคนดูดอกบัวดอกบัวที่แจกันแจกันด้านซ้ายดอกบนสุดต้องระ บ, บุอย่างนี้เลยนะ <laughs> เห็นไหม <laughs> <laughs> เพ่งไว้เถเพ่งไว้ อย่าให้จิตหลุดออกจากดอกบัวนั่นเลยถ้าทำได้จะเกิดฌานคือจิตไม่ไหลจิตจะอ ย, อย่างที่บอกแล้วอพอพอก่อนพอก่อน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะฟังมาดูเรื่อง <c oughs> จิตเนี่ยนะมีลักษณะคือรู้อารมณ์ตอนเนี้ยอาตมาให้โยมใช้ดอกบัวเป็นอารมณ์อารมณ์ไม่ใช่อิโมชันนะอารมณ์เป็นคำคู่ของจิต จิตคือสภาพรู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตขณะนี้ดอกบัวเป็นอารมณ์ของจิตผ่านทางตาถ้าตอนนี้เราใช้เสียงอัตมาเป็นอารมณ์ก็ใช้เสียงที่เป็นอารมณ์ผ่านทางหูถ้าใช้กลิ่นเป็นอารมณ์ก็ผ่านทางจมูกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราจะทำฌานทำสมาธิเนี่ยจะใช้รูปผ่านทางตาตอนที่ดู ใจจะไหลามาอยู่ที่นี่จิตส่งออกมาถ้าทำได้ก็ทำฌานแบบจิตส่งออกเข้าใจถ้าทำเป็นถ้าทาเป็นนะถ้าจิตมันเคลื่อนจากดอกบัวไปคือเผลอตอนนั้นไม่เห็นดอกบัวอาจจะนึกอาจจะคิดอะไรก็แล้วแต่เห็นจิตที่เคลื่อนไปก็ใช้ได้แต่จิตที่เคลื่อนไปตอนนั้นนะ่มันไม่มีฐานอยู่ที่มันไม่ได้อาศัยฐานในกายมันอาศัยบัวนี่เป็นฐาน ที่ให้ดีเลยคือเห็นกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าเห็นทั้งกายเนี่ยกำลังหายใจอยู่แล้วพอตอนเราเห็นกายหายใจเนี่ยจะเห็มีภาพของกายแต่พอเผลอภาพกายนี่จะหายไปภาพกายหายไปคือจิตมันคลายจากความสนใจกายหายใจเนี่ยไปสนใจเรื่องอื่นตอนคลายความสนใจเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีการเคลื่อนถ้าไม่เห็นอย่างนี้นะยัาไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนใจนะ ให้ดูจิตที่มันมีราคะบ้างมีโทสะบ้างหรือฟังแล้วงงลู้ทันความงงงงนี่เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจดูอย่างงี้นะพอมีทักษะจากการดูดูกิเลส ต, ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีทักษะในการดูการทำงานของจิต mm hmm. เห็นจิตเคลื่อนได้ไม่ต้องกลัวนะใครไม่เห็นจิตเคลื่อนไม่ต้องกลัว mm hmm. ค่อยๆดูไป แค่เห็นจิตที่มีราคะตอนเห็นราคะดับเนี่ยนะมันก็แสดงไตรลักษ์ละใช้ได้ละแต่จะให้ดีเลยคือให้มีสมาธิด้วยสมาธิตัวที่จิตตั้งมัน่นจิตตั้งมั่นไม่ได้สร้างความตั้งมัน่นเหมือนจิตที่มีสติไม่ได้สร้างสติขึ้นมาให้รู้ทันความหลงตอนจะให้จิตตั้งมัน่นคือรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมัน่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือมันไหลไปใครที่ทา สมมติได้แล้วให้ดูตรงนี้ต่อคือตอนที่มันนิ่งอยู่ได้แล้วพอจะคลายาจากความนิ่งเนี่ยมันไหลไปอมันไหลไปมันอาจจะนิ่งอยู่ช่วงแว บ, บเดียวนะพุโทโตพุโทโตอาจจะอยู่เนี่ยพุโทโตพุโทโธแล้วก็ลืมนึกคิด เ, เสียงซ่อมมาแล้วจะต้องกินอะไรเย่างนี้จิตไหลไปหาอะไรเงเสียงอะไรไม่รู้เสียงซ่อมป่ะไม่รู้กรุ<笑><笑>งกิงกรงกินี่นะได้ยินเสียงเน่ยถ้าเราได้ยินเสียงนะแสดงว่า จิตมันหลายไปหาเสียงแล้วแต่ฟังอัตมาได้เพราะว่าจำได้ถึงเสียงเมื่อกี้นี้แล้วก็ต่อเนื่องกันต่อแต่ถ้าได้ยินเสียงเมื่อไหร่แสดงว่าถ้าได้ยินแสดงว่าจิตมันไปรับรู้จิตมันเคลื่อนไปแล้วเมื่อกี้นี้แวบบเดียวก็เคลื่อนแล้วแต่ถ้าถ้าไม่ได้ยินเสียงเลยใครมาตรนนี้ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะ สนใจู่แต่เสียงเนี่ยอยู่สนใจจะแต่พระที่พูดอยู่นี่เรียกว่าจิตไม่ได้ไหลไปทางนู้นแต่ไหลาหมาพระไม่ได้แว บ, บไปไหนเลยก็ได้สมาธิจากการไหลามาที่ตรงนี้แต่ถ้ามีคนเดินมาแล้วเรา อ, อะไรแล้วก็รีบกลับมาขณะนั้นที่อื้ออะไรเนี่ยไปแล้วจิตรับรู้อะไรคือมันไปเสวยอารมณ์แล้วไปทํางานแล้วให้รู้ทันไม่ต้องไปห้าม หลักของของการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะคือไม่ห้ามให้รู้ทันอย่างเดียวกิเลสเกิดขึ้นก็รู้ทันไม่ห้ามราคะเกิดขึ้นก็รู้ทันไม่ห้ามเพียงแต่ว่าไม่ไปทำผิดศีลรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นแล้วศีลจะมาเองทุกครั้งที่มีกิเลสและรู้ทันกิเลสจะดับนะและเราจะไม่ผิดศีลเองเป็นการรักษาศีลด้วยการเจริญสติ แล้วสติเนี่ยจะเป็นตัวรักษาจิตไม่ให้ไปคิดผิดศีลต่อไปถ้าถ้าใช้วิธีห้ามถ้ใช้วิธีห้ามใจเนี่ยนะมันจะเครียดเครียดกับแบบอยากทําแต่ทําไม่ได้ไม่กล้าทําอะไรทําไม่ได้ก็เครียดแต่ถ้ามีสติรู้ทันกิเลสนะกิเลสดับไม่ต้องห้ามเลยสติเป็นตัวรักษาจิตเองแต่ถ้าคิดใหม่ให้รู้ใหม่ มันจะมีความเสี่ยงตัวนี้ว่ามันจะมีความเผลอที่ยาวและสติตามมาไม่ทันรู้สึกว่าแย่แล้วอย่างนี้ต้องใช้ตัวหักห้ามใจเข้ามาช่วยอย่างน้อยๆการเจริญสติเนี่ยนะต้องมีพื้นฐานว่าจะไม่ผิดศีลจะฉันจะเจริญสติแต่ว่าและไม่สนใจเรื่องศีล น, นะบางทีสติอ่อนแล้วมันเผลอไปผิดศีลได้ สี่ข้อที่ผิดผิดง่ายเลยก็คือมุสาเพราะว่าปากไนไหวใช่ไหมปากใน่ไหวหมือไม้เนี่ยมันต้องอาศัยเวลาสักพักหนึ่งแต่ปากได้ไปแล้วหิวหรือยัง<笑><笑>เวลาเราได้ยินอะไรแล้วก็นึกคิดไปเนี่ยนะจ่ายก็ไปละพอพูดถึงสิง่งสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเราเราก็ รับรู้แล้วก็ตีความแล้วก็แปลค่าแล้วก็ใจก็ไป <Yes. S 1> ไปตามสิ่งที่นึกเลยนะใจก็ไปแล้วแต่พอมีกามีเสียงพูดต่อมากลับมาหาเสียงพูดแล้วก็ฟังรู้เรื่องได้เราฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปดูอย่างนี้นะดูทันไหม <Yes. S 1> ฟังไปคิดไปไม่ใช่ฟังอย่างเดียวฟังไปแล้วคิดไปถ้าฟังแล้วไม่คิดนะไม่รู้เรื่อง <laughs> ดังนั้นฟังแล้วอนุญาตให้คิดได้และควรจะคิดด้วย <laughs> <laughs> แต่ตอนที่ฝึกดูตอนที่ฝึกดูนะคิดไปก็รู้ทันคิดไปก็รู้ทันไอตอนคิดเนี่ยจิตมันเผลอไปในไปในความคิดกายมีอยู่ก็ไม่รู้จิตที่กำลังเผลอก็ไม่รู้ต้องกลับมาหลักของเราคือว่ารู้กายและรู้ใจกลับมาที่หลักนี้นะ สามวันเนี้ยน pues ่าจะได้ผลอยู่ยิ่งมี <mit> พี่เลี้ยงมาช่วยเนียนะสบายใจมากเลยีโฆษณาหน่อยพี่เลี้ยงน nah <framework sm all Felix> <for skill> ี้ไม่ธรรมดานะกดดันกดดันก็มีผิดปกติหรือไม่